พระธรรมเทศนากนนีท่านพระอาจารย์มหาบัวยานสัมปโนแสดงโปรดพร ะ, ะคุณหมออวยที่มาจากกรุงเทพเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนพศสองพันนักวัดสาบ้านจาจจังหวัอดอุดรธานคาีความสุกความสึงหลังสึหวัง ทั้งทางโลกและทางธรรมยอมเกิดขึ้นกับการฝ่าฝืนมาฝ่าฝืนสิ่งที่เคยมีอยู่กับใจของเราสิ่งที่เคยอยู่กับมีอยู่กับใจของเรานั้นต่มากเป็นส่วนที่ต่ำคอยจะถุดลากเราไป ในทางที่ต่ําเสมอเช่นเดียวกับน้าชอบจะไหลลงสู่ที่ต่ํานอกจากจะมีสิ่งกดดันให้ไหลขึ้นสู่ที่สูงเท่านั้นตามธรมรมชาตของน้าแล้วจะไม่ไหลขึ้นสู่ที่สูงเลยต่ําเท่าไรก็ยิ่งไหลลงไปไหลลงไปไม่มีสิ้นสุด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 สิเขาใช้น้ำประปากันก่อนต้องบรรจุน้ำไว้ในระดับอันสูงหากต่ำกว่าทีู่ีเพียใสหรือที่้ช้ของคนแล้วน้ำจะไม่สามารถไหลเข้าไปถึงที่ต้องการได้เลยมีเรื่องของน้ำเป็นอย่างนั้น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 ก็ยอมจะผลักดันจิตใจให้ไหลลงทางต่ำเสมอสิ่งใดที่ต่าใจรู้สึกจะชอบเพราะมีสิ่งยั่วยวนให้ชอบเพราะมีสิ่งกระซิบให้ชอบมีสิ่งนบเล่าให้ชอบมีสิ่งขักดันให้เป็นไปในทางที่ต่ำสุดนั้นหากว่าจิตไม่ต้องอาศัย การอบรมหรือดัดแปลงความฝืนธรรมชาติที่ต่ำนี้แต่ก็จะเป็นไปในทางที่ดีโดยลำพังตนเองเชนนี้แล้วเรื่องครูเรื่องอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ เครื่องเปียบเหมือนกับเครื่องผักดันหรือเครื่องกดสิ่งที่ต่ำนั้นก็ไม่มีอย่างโลกพรอกศาสนธรรมคำสอนของพระพธธุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ปราพปว่าสอนคนให้ฝาฝืนหรือดัดแปลงตนเอง ให้เป็นไปในทางที่ชอบซึ่งเทียบกำ น, น้าเทียบกำ น, น้ากันว่าห่างสูงหรือเป็นไปเพื่อความสูกความเจริญที่สมมุติว่าเป็นความสูงความถุดความสบาย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 ชอบประพฤติตามใจชอบของคนเท่านั้นแล้วความรู้สึกของเด็กมีอย่างไรเด็กจะต้องประพฤติตัวให้เป็นไปตามความรู้สึกหรือความชอบจากฉะนั้นจึงต้องมีครูถ้าไปโรงเรียนก็ต้องมีครูเป็นผู้คอยแนะนำจับเปรียสั่งสอนในความประพฤติมารยาททุความรู้ความแฉหลักที่จะปฏิบัติ ต่อตนเองและหน้าที่การงานในเมื่อเด็กเติบโตขึ้นเป็นลำดับลำดับตลอดถึงเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาจะได้ความรู้วิชานั้นมาเป็นเครื่องแต่ขดัดแปลงตนเองไม่ไฮไหลท์ลงไปสู่ที่ต่ําคือความประพฤติ ท, ที่ไม่ดีอันเป็นเหตุที่จะทําเด็กให้เสียอยู่ในบ้านก็เป็นหน้าที่ของ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 หรือความรู้ความฉลาดที่เราได้ศึกษาเลาเรียนมาจากที่ต่างๆจะเป็นทางโลกที่เป็นทางธรรมแต่เป็นสติที่จะให้เป็นประโยชน์แก่เราเมื่อปฏิบัติถูกต้องตามหลักวิชานั่นแหละมาดัดแปลงตนเองโเฉพาะอย่างยิ่งการดัดแปลงตนเองให้ เป็นไปในทางด้านธรรมะนี้รู้สึกจะเป็นการฝืนยิ่งกว่าสิ่งที่กล่าวมาทั้งหลายเหล่านั้นอยู่บ้าง <uz zer> <t> เพราะฉะนั้นเราจึงหาคนที่ดีได้ยากดีในขั้นธรรมะ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 อย่างยิ่ง้าเราได้มองเห็นพระพุทธเจ้าชั่วขณะเดียวก็เกิดความปีติดยินดีเป็นวนพลได้ฟังพระธรรมเทศนาที่พระองค์ท่านโปรดจะเป็นเพียงบาทเดียวคาถาเดียว ก, ก็รู้สึกซาบซึ้งถึงังได้เห็นพระสาวกอรหันของท่าน ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเห็นรู้ยิ่งเห็นจริงตามพระองค์ท่านก็ น, น่ากราบน้าวาดน่าเคารพ บ, บูชาอย่างถึงจิตถึงใจได้ฟังธรรมะคำสอนของท่านก็รู้สึกว่ามีรสมีชาเช่นเดียวกับบุคคลที่กำลังหงิวและได้รับอาหารที่อรเด็ดอร่อยซึ่งแนี่ยคือวได้ปรุงให้อย่างดีเยี่ยมแล้ว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 เรื่องความเป็นไปของเราในวันหนึ่งวันหนึ่งเพ่อจะได้ปฏิบัติถูกวิธีการที่จะดัดแปลงตนเองนี้รู้สึกจะมียากอยู่บ้างแต่ถึงอย่างไรเราอย่าลืมคาที่ว่าพุทธังสะนางคัดฉามิธรรมังสะนางคัตฉามิสังคังสะนางคัตฉามิ สิงแปลน้นความว่าพระพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรมรมก็ทรงเป็นเสรณะที่เป็นที่พึ่งของจัพระพุทธเจ้าท่านพระองค์ท่านเป็นอย่างไรสิ่งทั้งหลายมีในโลกตนนับประมาณไม่ถ้วนเราจรึงไม่น้อมมาเป็นเสรนะเหมือนพระพุทธเจ้าพระธรรมของพระองค์ท่านเป็นอย่างไร เราจึงเน้น้อมมาเป็นที่พึ่งทั้งเป็นทั้งตายถ้าสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นคนเหมือนกันกับเราเหตุใด จ, จึงเราจึงน้อมเอาท่านมาเป็นเสรินะเราต้องคิดไปถึงปฏิปทาเครื่องดำเนินท่านดำเนินตามกระแสแห่งจิตใจที่มี ธรรมชาตินี้ชุดลากไปเป็นมันหนักหรือว่าท่านดําเนินเพื่อทวนกระแสธรรมะของพระโพธิเจ้าเกิดขึ้นมาจากการตามกระแสหรือว่าการทวนกระแสถ้าสงสาวกที่เด็ดจัดสรูสร้นั้นเป็นไปจัดสรู้ไปตะได้จัดสรูสร้เพราะการตามกระแสแห่งโลกคือสิ่งที่ต่ําอยู่ภายในจิตใจนั้น หรือเป็นให้ตรัสรูปเพราะการควนกระแสได้แก่การฝ่าผืนดัดเปล่งเมืเม่อพิจารณาเช่นนั้นแล้วเราก็จะได้คำตอบจากตัวของเราเองว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นนักฝ่าผืนพระองค์ท่านพระองค์หนึ่งท่าธรรมก็เกิดขึ้นมาจากการฝ่าผืนท่าสงสาวก ที่เราได้กราบว่าอยู่นี่ล้วนแน้วตั้งแต่ท่านเป็นนักฝ่า ฟ, าฟืนตนเองทั้งนั้นคือฝ่าฟืนความชอบเป็นไปตามอำเภอใจของตนพยายามดัดแปลงตนเองอยู่เช่นนั้นเราจะเห็นได้เมื่อพระพุทธเจ้าท่านตรงเสด็จออกทนวด การเสด็จของพระพุทธเจ้านั้นนับว่าเป็นประวัติการอันินใหญ่มาจนถึงสมัยนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งจะสามารถเอาใช้ธนะไปสู้รบกับพระพุทธเจ้านั้นในวิธีการที่พระองค์ท่านเสด็จออกไปทุกสิ่งทุกอย่างโลกทั้งหลายไม่สามารถจะสลัดปัดทิ้งได้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 ออกกลายเป็นพระขึ้นมาในพระยาบททั้งสี่จะไม่มีความสะดวกพระกาย ส, สมายพระไทยเลยเพราะพระองค์ทั้งพระองค์เป็นกษัตริย์การเสด็จอยู่เสด็จไปประทับหงังประทับนอนที่ไหนเป็นความสะดวก ผมกับพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์แต่เมื่อได้สลัดปัดทิ้งจากความเป็นกษัตริย์นั่นแล้วไอ้บำเพ็ญพระองค์ท่านอยู่ในป่าก็ไม่ผิดอะไรกันกับคนขอทานเขาตามบ้านตามเมืองที่เราเห็นอยู่ในทั่ทั่วปันีน่คี่ว่าเป็นความลำบากแสนสาหัสสำหรับพระพุทธเจ้าในคราบำเพ็ญพระ บ, บรมีหรือบำ พื้นคติธรรมนาซึ่งฝังอยู่ในพระไทยของพระองค์ท่านจนได้ตรัสลูก ข, ขึ้นมาเป็นพระพุทธไตรจ่าให้เราทั้งหลายดถือเป็นสาระว่าพุทธทางแชนังขัจฉานพระองค์ท่านได้เป็นอย่างนี้คำที่กล่าวมาทั้งนี้ก็มาในหมายว่าให้เราทุกๆกท่าน ได้ยึดตามปฏิปทาของพระองค์ท่านทุกบททุกบาปทุกวักทุกตอนแต่ควรจะระลึกถึงพระองค์ท่านว่าเป็นผู้มีความองอาจกล้าหาญต่อการแก้ไขตนเองหรืดับแปลง ต, ตนเองไปเป็นขั้นขั้เราก็เอาความระลึกของเราที่ระลึกเช่นนั้น เข้ามาเป็นเครื่องพ่ำสอนจิตใจของตนวันหนึ่งหรือคืนหนึ่งในรอบ2ี่สี่ชั่วโมองนี้เราขอให้ถือว่าเวลาหนึ่งต้องเป็นเวลาสำคัญสำหรับจกคิดเรื่องบัญชีของตัวเองคจะทำให้เป็นตัวของตัวอย่างแท้จริงคือการอบรมจริตใจ ให้รู้วิธีทางเดินของจิตจะชั่วเวลากี่นาทีก็ต่าง ต, าตั้งความสัตย์ความจริงบังคับตนเองไว้จนมีความเคยกินต่อกฎเกณฑ์ที่ตนตั้งไว้บังคับตนเองเพื่อความเป็นคนดีแล ะ, จะเจริญรุ่เงเรืองไปข้างหน้าเรื่องผลที่จะปรากฏขึ้นมาในเหล่านั้นจะต้อง ดำเนินตามรอยแห่งเหตุที่เราได้บำเพ็ญหรือดำเนินได้แล้วอย่างไรถ้าเราจะคิดเอาคนที่ต่ํา ม, มาเป็นคติมาเป็นตัวอย่างของเราเราอาจจะต่ําเช่นเดียวกับคนนั้นหรือจะต่ํายิ่งกว่าคนนั้นไปอีกก็ได้ท่านั้นเรา เพื่อหวังความดีจึงต้องหาท่านผู้ดีมาเป็นเครื่องพยุงจิตใจของเราและสาะแสวงหาความคิดที่ดีภายในตัวของเรามาแก้ไขความคิดที่ไม่ดีร้ายสาระแก่ตนเองออกไปเต็นลำดับลำหนักจิตนี้จะเหนืออำนาจการดัดแปลง หรือการกดขี่บังคับของเราไม่ได้ความอยากนั้นมีด้วยกันทุกคนไม่ว่าแต่มนุษย์เราแม้แต่สัตว์ก็ต้องมีความอยากความอยากตามธรรมนาข อ, ของที่ของธาตุขันต้องการกลมความอยากตามนาฏอย่างจิ่งที่ผลักดันออกไปได้แก่กิเลสตัณหาอาสวะนี่เป็นสิ่งสำคัญนี่แหละจะตต้อง จ, จำเป็นอย่างยิ่งที่จะหาขู่ หาครูภายนอกด้วยหาครูภายในด้วยมาแนะนำธรรมสอนหรือกดขี่บังคับตนเองครูภายนอกหมายถึงศาสนธรรมคาสอนของพระพธธุทธเจ้าเราจะได้มาจากตหรับตาลาก็ดีจะได้มาจากครูอาจารย์องค์ไหนก็ดีครูภายในหมายถึงเรื่องความคิดที่จะดัดแปลงตนเองด้วยวิธีต่างๆ ตามแต่ความฉลาดรอบครอบของเราที่จะดัดแต่งตนได้โดยอุบายวิธีใดความอยากเหล่านี้ก็ไม่ใช่จะอยากตลอดเวลา <c oughs> เมื่อได้ถูกสิ่งบังคับดัดแต่งหรือซัก้อออกไปเสมอความอยากก็นับวันจะลดน้อยถอยลงไปเพราะ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 ทั้งชอบทั้งรักทั้งอยากตัวให้ตัวของตัวเป็นอย่างนั้นนี่ทีนี้เรากลับมาถึงบ้านแล้ววันหลังเราจะไม่ต้องไป น, นี้คงไม่คิดวันหลังสมมติว่าเขาฉายเวลาสิบนาฬิกาวันวันพรุ่งนี้อยากจะให้เขาฉายจะตั้งแต่แปดนาฬิกาหรือเก้านาฬิกา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 ไม่มีวันลดลงเลยเพราะเหตุใดเพราะทุกสิ่งเมื่อได้รับเครื่องบำรุงส่งเสริมอยู่แล้วต้องมีวันเติบโตที่เจริญขึ้นไปเป็นลำนองเรื่องความดีความชั่วเราอยากเข้าใจว่าเกิดขึ้นมาอย่างลอยๆความสุขก็ดีความทุกข์ก็ ด, กกดีต้องมีสาเหตุและมีเครื่องบำรุงส่งเสริมไม่เช่นนั้นจะเติบโตขึ้นไปไม่ได้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 ตับ5กคือความชั่วหรือกิเลสตัณหาเหล่านั้นย่อมเป็นา50ที่เป็นปรัปักกันแต่ไหนแต่ไรมาถ้าด้านกิเลสตัณหาอาสวะหรือนัดไปกว่านั้นก็คือความชั่วมีความเจริญเติบโตขึ้นเท่าไหร่ด้านธรรมะก็ต้องด้อยลงและนับวันร้อยลงเป็นลํำดับลาดับ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 ใจทั้งดวงจึงเป็นไปกับสิ่งอย่างนั้นที่เราทั้งหลายอบรมอยู่ทุกวันทุกวันนี้ชื่อว่าเรามียาแก่กำลังดัดแปลงตนเองแก้ไขตนเองให้หลุดจากแอกของสิ่งผักดันทั้งหลายเหล่านี้ไายได้วันลเล็กและน้อย คุณงามความดีทั้งหมดเมื่อได้รับการส่งเสริมหรือบำรุงจากเจ้าของอยู่เสมอแล้วก็จะมีวันเจริญเติบโตความเชื่อความร่วมสายต่อการบำเพ็ญความดีที่แรกก็ต้องมีน้อยหรือไม่มีเลยแต่เมื่ออาศัยการสะดับรับฟังจากหลักเหตุผลคือธรรมะคำสำคัญของพระพุทธเจ้าแล้วใจย่อม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 นั่นก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งที่จะให้จิตใจของเราน้อมปฏิทางที่ดีหรือมีความเจริญรุ่งเรืองด้วยความดีเป็นขั้นขั้ไปถ้าได้รับการอุดหนุนจากการทำดีอยูเ่เสมอความดีก็มีกำลังศรัท ธ, ธาก็มีกาลังความอดทนก็มีกาลัง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 ท, ทุกคนเกิดมาไม่เคยเห็นสมาธิไม่เคยเห็นภาวนาไม่เคยเห็นปัญญาว่าเป็นอย่างไรแม้แต่พระพธธุทธเจ้าก็ยังไม่ทรงทราบเหตุใดจึงเป็นมหาปัญญาขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้กราบว่าเราก็ยังไม่ทราบเหมือนกันแต่เมื่อได้รับอุบายวิธีจากสวขคขาตรธรรมของพระพธธุทธเจ้าที่กลัดไว้ชอบแล้วมาดําเนินตามแบบ ของพระองค์ท่านเราอาจจะปรากฏภาในจิตใจของเราวันในวันหนึ่งแน่นอนข้อสำคัญขอติอย่าลดละความภาคเพียรเท่านั้นจิตที่ไม่เคยเป็นสมาธิก็ เ, ออเหมือนอย่างคนที่ยังไม่เคยได้รับรสอาหารที่คนอื่นเขาได้เล่าให้เขาเล่าให้ฟังว่า รสอาหารประเภทนั้นมีรสอร่อยอร่อยเช่นนั้นเช่นนั้นผู้ที่ยังไม่เคยรับรสนั้นก็ยังไม่สนใจและไม่อยากจะรับเหมือนกันต่อเมื่อได้รับเข้าไปแล้วนั่นแหละจะเกิดความสนใจและเกิดความชอบและพอใจที่จะรับเสมอเรื่องของธรรมะท่านกว่าวมีรสมีชาติท่านกล่าวไว้แล้วว่ารสแห่งธรรมะนั้นเป็นรสที่ ชนะรถทั้งหลายในโลกนี้ลด้หรือชนะซึ่งรถทั้งปวงคาว่าทั้งปวงกว่าทั้งหมดนั่นเองไม่ว่ารถอะไรทั้งนั้นรถธรรมะนี่นมีอำนาจเหนือกว่ารถทุกรถทุกชาติเหนือเราได้ตั้งใจอบรมจิตใจของเราเห็นเรานั่งสมาธิที่เราไม่เคยปรากฏก็ะจะปรากฏขึ้นมา จิตที่มีความกระเพื่อมหรือคิดปรุงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าใกล้ว่าไกลไม่ว่าอาดีตไม่ว่าอนาคตเราจะหาจุดแห่งความสบายของใจนั้นเราจึงหาได้ยากดังนั้นอุบายวิธีที่ครูอาจารย์สอนก็ดีหรือที่ท่านแสดงไว้ใน สำหรับตำราก็ดีก็เป็นวิธีที่จะเราจะนำมาปรับปรุงเรื่องตัวบกข้องเราเพื่อให้จิตทังเราเป็นสมาธิหรือเป็นความสงบยือกเย็นใจถ้ายังไม่สงบ ก, ก็ยังไม่เป็นความสุขไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่านักบวดและขลาวายยอมจะมีทุกข์มีร้อนเพราะมี จิตมีความกระเรื่องอยู่ตลอดเวลาเมื่อจิตสงบแล้วก็อยากว่หยุดกับเรื่องม้าเป็นน้ำก็ใสสะอาดอติตะกรก็นอนนิ่งเราจะตักอาบตักดื่มก็ได้อย่างสบายจัดในขณะที่น้ำกำลังนิ่งเพราะไม่มีตะกรอ ใจที่กําลังนิ่งหรือสงบนั้นกิเลสอาสวะซึ่งเป็นเหมือนกับตะ ก, กรอนก็นอนนิ่งดูตามสภาพของเขาเราก็มีโอกาสจะเห็นความสุขของเราที่เกิดขึ้นจากความสงบนิ่งแนวในเวลานั้นนันแลเป็นบอ่อเกิดแห่งศรัทธาเห็นประจักษ์ใจเป็นเองตะกรอนเราได้ยินแต่ชื่อว่าสมาธิไม่ทราบว่าพระพุทธเจ้าท่านจัดไว้ที่ไหน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 จับจิตจับใจใครได้ปรากฏเขาแล้วไม่มีความติดจังยิ่งจะเป็นความสงบอยู่นั้นวันยั่งค่ำก็ไม่มีใครจะผื่นตัวออกมาเพราะเป็นสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วท่า น, นอาจารย์ท่านจึงสอนในขณะจิตที่ลงเป็นสมาธิอย่าไปรบหวนจะรวมสักกี่ชั่วโมงก็ให้รวมอยู่ที่นั้น จนกว่าจิตจะถอนขึ้นมาเองและจนกว่าจิตจะมีความชำนาญเพื่อหาธรรมอันยิ่งกว่าสมาธินั้นเป็นลำดับไปในอันดับต่อไปนั้นอู้พูดถึงขั้นสมาธิคือความสงบเยือกเย็นใจเย็นเป็นลำดับใจมีความละเอียดเท่าไร่มีความสงบเข้ามากเท่าไรเรื่องความสุขซึ่งเป็น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 แต่เมื่อเราได้แยกออกจากสมาธิแยกจิตออกจากสมาธิเมื่อได้ถอนขึ้นมาแล้วออกพิจารณาทางด้านปัญญาจะได้เห็นเรื่องของที่เดือดตันหาอาสวะซึ่งเคยถุดลากเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรได้โดยชัดเจนภ า, ายในจิตใจของเราเมื่อเรามองเห็นเรื่องที่เคยขัดข้องจิตใจของเราเราก็มีทางที่จะแก้ไข เช่นเดียวกับเรามองเห็นตัวผู้หลายแต่ก่อนเข้ามาถูกขมโมยของของเราวันยั่งค่าคืนยั่งรุ่งเราก็จับตัวไม่ได้เพราะไม่เห็นตัวโจรแต่ของเรานั้นหายไปทุกวัน <Hey. S 1> มีเรื่องของเรานั้นนเป็นเรื่องทุกทุกวันวันนี้ทุกเพราะเรื่องนี้วันนั้นทุกเพราะเรื่องนั้นเอ uh. ไปที่ไหนก็มีตะบนกันว่าไม่สะดวกไม่สบายไปที่นั่นคนนั่นก็บ่นว่าอย่างนั้นไปท้งที่นี่คนก็นี่ก็บน่นวางี้ ผู้ที่จะบนว่าฉันมีความสุขความเจริญแนวไม่ค่อยมีฉันมีความสมูุนทูนสุขแล้วไม่ค่อยมีมแต่เรื่องบกพร่องเต็มโลกเต็มสงสารเพราะเรื่องหัวใจนั้นมันเป็นเรื่องบกพร่องเหตุที่หัวใจบกพร่องก็เพราะเราไม่รบอบคอบต่อการปฏิบัติต่อใจของตนเองนะเพราะเราไม่มีปัญญาเพียงพอที่จะแก้ไขจิตใจของเราให้หลุดพ้นออกมาจากความบกพร่องอันเป็นบกเกิดแห่งความทุกข์นั้นเสียได้ เมื่อเรามีปัญญาสมควรแล้วเราก็มีทางที่จะทราบเรื่องค่าสุขของใจของเราที่มันนอนเมืองอยู่ภายในใจและแสดงตัวออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเชื่อเอมันไปเกี่ยวเนื่องกับเรื่องอะไรมันก็ทราบเพราะปัญญาค่อยสอดค่อ ย, อ ย, อ ย, อ ย, อยสอดส่องอยู่สมัยเมื่อทราบแล้วก็มีทางแก้ไขมีทางที่จะระ ง, งับดับกันได้ดับไปวันนล็กมาน้อย ตามคนเข้าไปทุกวันทุกวันมันก็ทันกันเข้าไปทันเข้าไปจับตัวได้มันไปจะไปไหนฮะจะฆ่ามันก็ได้ทีนี้เมื่อจับพันแล้วเรื่องของปัญญาคือฆ่าที่เละภายในตัวนี้ท่าเรียกว่าปัญญาแล้วปัญญาก็มีหลายขั้นยีเละเป็นขั้นยาปัญญาก็เป็นขั้นยาที่เรียกและเข้าสู่ปานกลางปัญญาก็ทันกันไป ปัญญาคันละเอียดก็มีเพราะกิเลสคันละเอียดก็มีตามกันเข้าไปเมื่อถึงปัญญาคันละเอียดแล้วเรื่องกิเลสปัญหาอาสวะหรือเราพูดถึงเรื่องโลกก็ดีคำว่าโลกท้ายกับว่าจะกว้างขวางแสนสุดหูสุดตาของเราแต่ถ้แท้จริงโลกที่แท้จริงทําให้เรามีความหมุนเวียนเกิดเจ็เจ็บตาได้รับความทุกข์ความร้อนคือโลกหัวใจเรานี่เท่านั้นน่ะปัญญาก็ทราบชัดว่า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 วิเวกมันจะหนาแสนหนามากแสนมากก็มารวมมีที่หัวใจก็แก้ไขกันลงที่นัะเสร็จสิ้นไปได้กลายเป็นคนหมดทุกเพาะหมดเชื้อของทุกภายในใจแล้วผลที่จะเกิดขึ้นให้เป็นทุกภายในใจจริงไหมนี่ปัญญาขั้นละเอียดแกให้เห็นไปจักกับใจของเราเนี่ยเพราะศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ตุ๊กตา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 รูปมันไม่เที่ยงมันแสดงอย่างนี้ก็ถึงใจเวทนาอนิจจาไม่ว่าสุขว่าทุกข์เฉยๆที่มันเป็นอยู่กับภายในกายของเรามันก็ถึงใจอย่างเชื่อธรรมะคำสอนพ ร, ระพรทเจ้าบทเชื่ออันนี้จังทุกขังอาตาชัดเจนถึงใจเพราะทําทถึงใจเรื่องทั้งหลายก็ต้องถึงใจหมดปัญหาทำที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ทุกบททุกบทหมดปัญหามันมารวมอยู่ เป็นความจริงอยู่ที่หัวใจของเราคนดีนี่ผลขอ่งการปฏิบัติต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนเมื่อเหตุ้ทำให้สมบูรณ์พันธุตัวเร็ตต้องเป็นอย่างนี้ดังนั้นธรรมะทั้งหมดที่ได้อธิบายมาโตรดอย่าได้เห็นว่าดูที่อีกไกลที่ไหน อยู่กับเรานี่แหละเป็นแต่เพียงว่าเรานั่งทับนอนทับอยู่นี้เรายังไม่เห็นเท่านั้นตัวเด็กคุ้ยเคียวธรรมะที่เรานอนทับนั่งทับอยู่นี้ขึ้นมาหเห็นประจักษ์กับะติกับปัญญากับความเพียรของเราเราจะเห็นแดนพ้นคุกไปเป็นลำดับลาดับจนถึงพ้นคุกโดยสิ้นเชิงขึ้นประจักษ์กับใจของเราอ ทำมาพระพุทธเจ้านิพพานอยู่ที่ไหนก็จะไม่มีความสงสัยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ไหนก็จะไม่สงสัยเพราะสัตว์จะทำอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าต้องตรัสรู้ที่ไหนะเวลานี้ทุกข์ก็ดีสมุทัยก็อีกมีอยู่ที่ไหนมีอยู่กับหัวใจของเรามรรคคือข้อปฏิบัติอุบายวิธีแก้ไขทุกข์ก็มีอยู่กับเรานี่โลระความดับทุกข์ก็ดับที่เราเมื่อเป็นเช่นนั้นนิพพานก็ดีหรือความบรู้สึกหยุดพ้นก็ดี เราจะไปหาที่ไหนนอกจากจะปรากฏขึ้นที่แสจจะทมของจริงนี้เท่านั้นนั้นการแสดงธรรมกาเห็นมาาสมควรเจรเวลาจึงขอยุติลงเต็มท น, นเอง